ยาซีเรียกเรื่องกวางตกหน้าผาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะประเทศจีนยังมีชาวนาคนหนึ่ง เป็นคนที่มีนิสัยขยันขันแข็งหลังจากทำไร่ไถนาตั้งแต่เช้าจนเที่ยงทำให้ชาวนารู้สึกเหน็ดเหนื่อยจึงได้เดินไปนอนเล่นพักเหนื่อยอยู่ใต้ร่มเ ง, งาหน้าผาใกล้ๆขณะนั้นเองณทุ่งหญ้าบนภูเขาได้มีกวางหนุ่มตัวหนึ่งวิ่งหนีเสือที่ไล่กวดมาอย่างกระชั้นชิดเจ้ากวางวิ่งหนีจนมาถึงริมหน้าผา และได้พลาดตกจากหน้าผาร่วงลอยและเลี้ยวลงมากระแทกพื้นตายณตรงหน้าชาวนาที่กาลังนอนหลับเสียงดังสนั่นจนชาวนาสะดุ้งตื่นวันนั้นชาวนาผู้โชคดีจึงได้กินเนื้อกวางย่างอันแสนโอชะแถมยังได้แล่เนื้อกลับเอาไปตากแห้งเก็บไว้กินได้เป็นเดือนเดือน ชาวบ้านต่างลือกันไปทั่วถึงความมีโชคดีของชาวนาคนนี้ยังมีชาวนาอีกคนหนึ่งได้ยินข่าวลือก็นึกอยากจะได้เนื้อกวางแสนอร่อยมากินเหมือนกับชาวนาคนแรกเขาจึงได้บอกภัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ออกไปทำนาแต่จะไปนอนที่ริมหน้าผาเพื่อรอให้กวางตกลงมาอีกตนจะได้นาเนื้อกวางมาเลี้ยงครอบครัว และถ้าได้กวางบ่อยๆเขาจะได้เลิอกอาชีพชาวนาสักทีนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวนาคนที่สองก็ได้แต่ไปนั่ ง, น, งนอนๆที่ใต้หน้าผาแห่งนั้นเพื่อรอกวางตกลงมาจากหน้าผาไม่ยอมทำงานทำการเหมือนอย่างเคยชาวนาเฝ้ารออยู่หลายวันหลายคืนแต่กวางก็ไม่ยอมตกลงมาสักที ด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวนาอุตสาห์จุดธูปไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาอ้อนวอนขอให้โดนบันดาลกวางตกลงมาให้เป็นลาบ ป, ป่าเขาเฝ้าวิงวอนอยู่เช่นนี้ทั้งวันทั้งคืนจนร่างกายผ่ายพร้อมแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนที่สุดพัญญาของเขาทนไม่ไหวขูว่าจะหอบเสื้อผ้าหนีไป หากยังไม่ยอมไปทำการทำงานประกอบกับเพื่อนบ้านพากันหัวร้อยยอกขบขันชาวนาจึงจำใจต้องเลิกราความตั้งใจหันกลับไปทำนาเช่นเดิมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนขยันหมั่นทำการงานให้เหมาะเจาะย่อมหาทรัพย์ได้ส่วนคนโง่ที่นั่งคอยดวงคอยวาสนา ย่อมพบแต่ความพินาศร่ำไป